สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูนะครับตอนที่สิบเก้านะครับในหัวข้อย่อยก็คือฟาริสีและซาดูดูสีครับตอนที่สองนะครับเมื่อวานนี้เราได้พูดถึง เ, เรื่องราวทั่วๆไปการกําเนิดของฟาริสีและซาดูสีนะครับในวันนี้เราจะมาดูเกี่ยวข้องกับลักษณะของพวกฟาริสีและพวกซาดูสีนะครับซึ่ง พืพีใช้คําว่าเป็นคนที่มีทิฏฐิที่ชั่วร้ายนะครับเราจะมาดูว่าลักษณะและพฤติกรรมของพวกเขาเป็นอย่างไงครับตามที่ได้รวบรวมมานะครับีทั้งหมดสิบสี่ข้อด้วยกันข้อแรกครับลักษณะและพฤติกรรมของชาวคอริสก็คือพวกเขาจะรักษากฎ ร, ร, ร, ระเบียบทางาศาสนาอย่างเคร่งครัดเขามีกฎ ร, ร, ระเบียบเรื่องการนมัสการเรื่องพฤติกรรมต่างๆ่ด้วยการสร้างขึ้นมาเองนะครับแล้วพยายาม impose หรือ มีบังคับให้ผู้คนนั้นจะต้องถือรักษาีไว้ลักษณะประการที่สองครับพวกเขาเคข่งครัดในกฎหมายของโมเสสเขาเลือกที่จะเชื่อฟังกฎเกณฑ์รับเบียบของโมเสสและบัญญัติยุมมยิ้มที่พวกเขาเน้นได้บัญญัติขึ้นมามากกว่าที่จะทำตามและเชื่อฟังคาสอนของพระเยซูประการที่สามครับในพระคัมภีร์ฟิลิปปีนะครับ ได้บอกถึงลักษณะและพฤติกรรมนะครับของเขาก็คือพวกปริศีนั้นเขาแต่งองค์ชงเครื่องทำตัวเองให้ดูดีแต่ภายนอกนะครับดูเหมือนคนมีธรรมะนะครับแต่ข้างในไม่ได้เป็นเช่นนั้นประการที่สี่ครับพระเยซูก็พูดถึงพวกเขาว่าเป็นคนที่น่าซื่อใจคดนะครับหรือว่าเป็นคนที่ว่าฮิปรกริไม่จริงจังครับ No action talk only ครับหวังแต่รักษาผลประโยชน์ของตนมากกว่าจะสอนให้คนเปลี่ยนแปลงชีวิตเขารักษาชาตินธพิธีเพื่อหน้าตาของเขาเองจึงนำไปสู่ประการที่ห้าครับพฤติกรรมของเขาก็คือทำตัวให้หน้านับถือในสังคมนะครับทำตัวให้ผู้คนเนี่ยได้ let him n i e เขาว่าเขาเป็นคนที่มีความสำคัญนะนะครับจิตใจของเขาเนี่ยนะครับรักเงินทองนะครับ มากกว่ารักพระเจ้าแต่ศาสนพิธีเนี้นะครับก็จะทําให้ตัวเองได้มาซึ่งเกีดยรติยศชื่อเสียงเงินทองครับหลายหลาคนก็พลาดในเรื่องนี้นะครับต้องเอาศาสนามาบังหน้าเพื่อสร้างการยอมรับให้กับคนอื่นประการที่หกครับพวกเขาดีแต่สอนคนอื่นแต่ตัวเองทําไม่ได้นะครับเขาไม่ได้วอล์กเดดท็อนะครับสอนคนอื่นแต่ตัวเองทําไม่ได้ครับประการที่เจ็ดครับ ชอบให้คนอื่นทักทายยกย่องนับถือตามที่ตามสถานที่ที่มีคนเยอะๆชอบให้คนอื่นเรียกว่าอาจารย์นะครับพี่น้องครับสมัยนี้ก็มีใช่ไหมครับชอบให้คนยกย่องนะครับชอบให้คนเรียกว่าอาจารย์ประการที่แปดครับชอบเกียรติได้ศักดิ์ศรีของตนเองมากกว่าถวายเกียรติพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่เป็น ขโมยครับเขาขโมยเกียรติและศักดิ์ศรีของพระเจ้าคนพวกนี้เป็นคนบาปนานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้แถวายเกียรติพระเจ้าเท่าที่เขาควรและเขาไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าเท่าที่เขาควรทำประการที่เก้าครับเขาชอบทดสอบความรู้ทางพระคัมภีร์ของคนอื่นเพื่อให้ดูว่าตัวเองนั้นรู้มากกว่าหรือเก่งกว่าหลายๆครั้งนะครับชอบจับผิดคนอื่นนะครับมากกว่านะครับ จับผิดคนอื่นมากกว่าสนับสนุนคนอื่นให้เจริญขึ้นในการทํางานของพระเจ้าประการที่สิบครับพวกเขาเอาความคิดเห็นของตนเป็นมาตรฐานเพื่อวัดคนอื่นและตีค่าคนอื่นด้วยมาตรฐานหรือมาตรวัดของตัวเองพูดง่ายๆทางการบริหารก็คือว่าเขานนได้ตั้งเบนชมากของตัวเองไว้นะครับและเอาเบนชมากที่เขาตั้งมาวัดและตีคุณค่าคนอื่นครับข้อสิบเอ็ดครับ คนพวกนี้นะครับแม้ว่าจะเห็นคนอื่นทําอิจฉาริษด้วยนิทานุภาพของพระเจ้าก็ยังไม่ยอมรับอ้างว่าการอัศจรรย์ไม่มีแล้วในยุค น, นี้หรือมาจากมารซาตานแม้กระทั่งพระเยซูเองนะครับเวลาที่พระองค์ขับผีเขาก็ยังกล่าวหาว่าพระองค์ขับผีในฐานะที่เป็นนายผีครับพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราที่จะไม่เป็นเหมือนกับพวกฟาริสีพวกนี้ข้อสิบสองครับ ไม่ยอมรับไม่ยอมรับการเปิดเผยใหม่ๆนะครับเนื่องจากพวกเขานั้นเป็นพวกหัวเก่าครับปิดหูปิดตาตัวเองมานานกลัวว่าผู้ติดตามพวกเขาจะกลายเป็นพวกของพระเยซูอันนี้คือการเปิดใจนะครับยอมรับการสำแดงการดนใจและยอมรับพระเยซูพี่น้องครับคนในสมัยต่อๆมานะครับรู้ว่าพระเยซูเป็นใคร โดยพ่อใหญ่ยิ่งสาวกของพระองค์ยอมรับว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นองค์พระบุญเจ้าและพระผู้ช่วยรอดแต่คนเหล่านี้นะครับอยู่ใกล้ชิดธรรมบัญญัติแต่กลับไม่รู้ครับดูเหมือนว่าเขาอยู่ใกล้พระเจ้าแต่ไม่รู้เพราะว่าโดยแท้จริงแล้วเขาอยู่ใกล้พระเจ้าใกล้ธรรมบัญญัติแต่ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเขาละเลยละเว้นนะครับจิตวิญญาณไปเขากลับยึดตัวอักษรนะครับมาฟาดฟันคนอื่น พี่น้องครับจึงนําไปถึงหัวข้อสิบสามครับคนพวกนี้นั้นชอบทําอะไรตามตัวอักษรครับทิ้งนะครับบริบทหรือเซตติ้งของพรกักกำพีพวกเหล่านี้นะครับตีความพั่มพีนะครับไม่ได้ตามบริบทแล้วก็พลิกแพลงประยุกต์ใช้หลักคําสอน์ยังไม่ถูกต้องละเลยความรักและความชอบธรรมเสียประการสุดท้ายครับประการที่สิบสี่ ด้วยหูตาที่คับแคบด้วยหัวใจที่ไม่เปิดนะครับสมองที่ไม่ได้มีโรกทัศน์พวกเขานั้นได้ทำผิดพลาดหลายหลายอย่างในที่สุดครับ โ, โดยคิดไปเองว่าเป็นการปกป้องศาสนาคิดไปเองว่าเป็นการปกป้องสถาบัญคิดไปเองว่าเป็นการปกป้องอาณาจักรของพระเจ้าแต่ครับแม้ว่าเขาจะอ้างว่าเขาปกป้องศาสนาปกป้องสถาบันปกป้องกิจักรของพระเจ้า คนเหล่านี้ครับกลายเป็นหินสะดุดครับทำให้หลายลายคนทิ้งพระเจ้าหลายลายคนไปไม่ถึงความรอดพี่น้องครับพระเยซูทรงถือว่าคนเหล่านี้นั้นมีพฤติกรรมนะครับที่เป็นพวกชาติชั่วและทรยศ ต, ต่อพระเจ้าซึ่งบันทึกไว้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบสองข้อที่สามสิบเก้านะครับเป็นพวกงูร้ายเป็นพันอสสารพิษครับ ในมัดทีวที่ยี่บสามครับเพราะนั้นจิตใจภายในของคนเหล่านี้นั้นเต็มไปด้วยความโศโครมัวเมาด้วยกิเลสโจรกรรมและตัวเขานั้นเป็นเหมือนอุโมงอุโมงค์ฝังศพที่ฉาบด้วยปูนขาวอุโมงค์ฝังศพที่ฉาบด้วยปูนขาวนั้นมีความหมายว่าปูนขาวนั้นนะครับมองแล้วข้างนอกเนี่ยสะอาดครับแต่ข้างในมันมีแต่ความตายเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับถ้าเรามาดูนะครับ ในสมัยนี้มีฟาริสีไหมครับปรากฏว่านักวิชาการบอกว่ามีครับเพราะฟาริสีสมัยใหม่เนี่ยมักจะชอบนั่งที่เดิมในโบสถ์เหมือนกับว่าเป็นเก้าอี้ประจําตําแหน่งและพวกเขาจะนั่งที่นั่งที่นี่นะครับที่เดียวเป็นปีๆไม่ยอมย้ายที่นั่งนะครับดูเหมือนกับเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของนะครับเป็นอาณาจักรของข้าอาณาบริเวณของข้านี่คือลักษณะของฟาริสีสมัยใหม่และก็ คนเหล่านี้นะครับก็จะมีพฤติกรรมเหมือนกับ14ข้อนะครับในหลายๆข้อทีเดียวการจังซ้อนนะครับก็ของพวกฟาริสีสมัยใหม่ก็จะเป็นพิธีการมากครับเน้นพิธีการมากกว่าจีวิญญาณนะครับลักษณะการเทศนาของพวกเขาหรือการแบ่งปันพระวจนะของพวกเขาก็จะเปิดปพุ่มพีหนึ่งตอนครับอ่านให้จบแล้วก็อธิบายนิดหน่อยทีนี้ก็จะเป็นการสแดงความรู้ทางโลกครับ นิยายนิทานเรื่องแต่งต่างๆนะครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นการบิดเบือนพระชนะของพระเจ้าให้เป็นไปตามใจของตัวเองนะครับพี่น้องครับคนเหล่านี้นะครับจะต้องกลับใจใหม่ขอพระเจ้าทรงช่วยเราทั้งหลายนะครับให้สิบสี่ข้อนี้จะเป็นข้อเป็นข้อเตือนใจนะครับรวมทั้งผมด้วยที่จะเราจะไม่เป็นฟาลีสีฟาลีสีนะครับ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งขอพระเจ้าช่วยเราอาเมน